FM 89.5 m ม 89. z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 าจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการโฆษณาวารายดีดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวิพาสินสุวรรณและอาจารย์รัติการเจนจัดควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุนกนิษฐทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฆษณาวาราตีค่ะออกาสศเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 ค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะในฐานะผู้ดำเนินรายการที่จะสัญหาเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ในกระแสะความนิยมมาเล่าสู่กันฟังค่ะอาจารย์นัวิภาค่ะค่ะอาจารย์รัติการนะคะเราทั้งสองคนมาจากสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องงดเหล้าเข้าพันาสัปดาห์นี้เรามาติดตามความก้าวหน้าค่ะว่าเป็ น, ปนยั ง, ยงไงบ้างค่ะคุณงดไปกี่วันแล้วห <5 S 2> นะ้าวันผ่านไป <laughs> นี่เป็นยังไงบ้างงดขนมหวานไปแล้วเนี่ย <laughs> คือคนอื่นงดเหล้าเรางดของหวาน <laughs> ค่ะ งดแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นกำลังใจให้ต่อนะคะว่าอุ้ยสหรับคนที่เริ่มต้นวันแรกเลยอานสาหบูชาอ่าสาระบูชาไปไหนเขาบรรษาไปวัดทำบุญจิตใจผ่องแผ้วแล้วก็ปฏิญาณตนไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรบางปีเขามีปฏิญาณปฏิญาณขอพรพาเรียบร้อยแล้วขอพรพาไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ทาสเร็จทำสำเร็จ เป็นยังบ้างห้าวันผ่านไปเกิดอาการยังไงบ้างอย่าแต่ถึงจริงบางคนบอกว่าอย่านับห้าวันเลยนะว่าดูยาวไกลายยาวไกลนะคุณเหมือนนับวันรออุ้ยอีกสามเดือนกว่าจะได้กิน <laughs> คย่ไปคิดอย่างนั้นเลยเนาะก็คิดว่ามันก็เหมือนวันปกตินั่นลหละค่ะห้าวันแล้อดีใจจังเลย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเหลือเลือีกไม่กี่วันเองออน ะ, นะบางคนอาจจะแบบว่าเลิกทีเดียวไม่ได้ไงค่อยๆลดก็ได้นะจับ ลองก่อนลองก่อนลองเลิกก่อนบางคนแบบว่าหักดิบออ้ยแต่บางคนหักดิบเขาก็เขาก็เลิกได้เลยนะเหมือนเลิกบุหรี่อะหักดิบไปเลยวันนี้จะมาบอกคุณวิฟังว่าเอ้ยมันมีวิธีการแบบไหนที่แบบว่าเราจะสามารถเลิกเล่าในช่วงเข้าเป็นสาวเบาๆเนี่ยแบบไม่กี่วันเองเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนอห่่านัเป็นวันเดี๋ยวเเดี๋ยวมาดูยาวไกลแค่สมเดือนเองเห็นับนิดเดีย ดีว่ะ90ิบวันโอ้โหอะไรแค่สเดือนเองแค่สเดือนเดี๋ยวมันก็ผ่านเดือนแล้วเดี๋ยเงินเดือนก็เข้าแล้วเดี๋ยวเงินเดือนเข้าล้วอะไรเงินเดือนเข้าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วต้องทําอย่างไรบ้างคะถ้าสมมุติว่าอยากที่จะงดเล่าเข้าพรรษาช่วงเนี้มีวิธีการช่วยยังไงบ้างเขาบอกว่าอันดับแรกเลยคุณต้องตั้งใจจริงการเลิกเล่าไม่ใช่เรื่องยากขึ้นอยู่กับใจล้วนลวนอันนี้ถูกค่ะเหมือนล้วนความอ้วนนี่แหละค่ะใจล้วนเลยค่ะเขาบอกว่าถ้ามีความตั้งใจที่จะทําให้มันสําเร็จ มันก็ต้องสําเร็จมุ่งมั่นตั้งใจเราจะต้องลดความอ้วนประมาณอย่างเงี้ยเดือนละโลได้ไห้สาเดือนช่วงเขามาสะสมามโลแล้วนะได้จริงทำยังไงดีสามขีดก็ยังดีอย่างนั้นก็ลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละสามขีดเอานะเราตั้งใจแล้วว่าเราจะทำนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยคือจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังต้องจริงจังค่ะตั้งใจจริงจังแปลว่าเริ่มเริ่มเลยเขาบอกว่าอันอันดับที่สอง ตั้งเป้าก่อนว่าจะเลิกเล่าเพื่อใครเพราะเหตุใดเช่นเลิกเล่าเพื่อพ่อเพื่อแม่ไหมสงสารหลือกเกินตอนกลางคืนเปิดประตูบ้านไงแล้วก็ไปรับลูกมาบางทีเมากลับบ้านไม่ได้ต้องไปรับหรือบางทีคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้ววะลูกรอกินข้าวอยู่ทุกวันอ่ะอ่ะแล้วคุณไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือไปท <คน S 1> ิงคนที่รักคุณให้อยู่ที่บ้าน ใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะเพราะอย่างนี้นค่ะคุณก็เวลาคุณเลิกเหล้าเนี่ยคุณจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นตั้งเป้าเลยว่าคุณเช่นนี้เป็นตัวยอย่างที่ดีให้กับลูกถ้าลูกไม่เห็นฉันกินเหล้าอะ่ะลูกก็จะเป็นยังไงคะลูกก็จะมีเขาเรียกว่าทัศนคติในทางบวกกับเรามากยิ่งขึ้นว่าโอ้ยพ่ อ, พ อ, พอไม่กินเหล้านะนี่มันมีแคมเปญสอสนทมีนะมีนะที่ลูกลูกขอไงอคือมีอยู่ปีนึงแบบเป็นแคมเปญประมาณว่า ถ้างดเหล้าถ้าไม่กินเหล้าแล้วเนี่ยจะเอาเวลาไปทําอะไรออุยเยอะแยะเลยนะหนึ่งมีเวลาแบบเไปเล่นกีฬากับลูกอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาแบบอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวพาครอบแล้วงดเหล้าปุ๊บมีเงินเก็บพาครอบครัวไปเที่ยวได้ด้วยถูกพักผ่อนนะอวยลูกอยากได้อะไรอุปกรณ์การเรียนของเล่นอะไเนาะค่ะต่อมาเขาบอกว่าข้อที่สามเขาบอกว่าหยุดทันทีไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่เป็นแบบเดชิตเดย์แปลว่าแบบ โอ้ยมีวันแบบโกงๆนิดนึงวันโกงๆพุ่งนี้ก่อนนะพุ่งนี้ก่อนนะ้าอะไรอย่างเงี้ยเาบอกว่ากินวันนี้นนเดี๋ยวค่อยทีหลังไม่ต้องเริ่มเลยเขาบอกว่าคนที่มีแนวคิดว่า กินเพื่อความสนุกสนานเนี่ยเมื่อตั้งใจงดเหล้าก็ต้องพยายามหักห้ามใจเนาะจริงๆแล้วคนรอบข้างก็สําคัญนะพอเห็นเขางดเหล้าคุณต้องสนับสนุนจริงค่ะอย่าไปใช่แบบขยันขยอยเฮยเฮ้ยเฮ้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณอันนี้บาปเลยนะแล้วมันยิ่งอยู่ในช่วงเข้าวันศาด้วยนะเขากำลังจะทําความดีทําบุญนะคุณไปบอกว่าเฮ้ยเอาสักวันหนึ่งวันเนี้ยคือกลายเป็นว่าคุณนี้ไปขัดบุญเขาเลยนะอืเขาบอกว่าต่อมานะคะวิธีการงดเหล้าอ่ะสมมุติว่า มันไม่ไหวจริงๆปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มเอาแล้วการจากเดิมที่คือแบบคือการปรับเปลี่ยนนิสัยเนี่ยจากเดิม ท, ท, ที่ที่ดื่มเยอะๆมันก็จะช่วยลดปริมาณการดื่มลงเช่นเปลี่ยนของขนาดแก้ ว, หวไหวไหยก็ควรต้องไหวนะคะหรือดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ ให้จุกเขาไว้ให้จุกเขาไว้ <c oughs> ให้ดื่มมาถึงแบบ <c oughs> อ้อยคอเลยอ่าบางคนนี่คือหรือไม่งั้นเวลากินในระหว่างที่รับประทานอาหารก็ดีกินข้าวเข้าไปยยอะๆให้อิ่มเีมันจะได้โรคอ้วนมาไหมคะคุณ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาลดพุงลดโรค <c oughs> อีกเอาก็ขึ้นอยู่กับอาหารหรือบางคนชอบทานกับแกล้มก็ทำเป็นแบบยาแบบแบบพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตไอ้คาร์โบไฮเดรตต่ำๆเออคาร์โบไฮเดรตต่าๆ กินเข้าไปยําบุญเส้นกินเข้าไปให้ไปอืดในท้องนะคะคุณคะ่ะใช่อันนี้คือปรับเปลี่ยนนะคะหรือไม่งั้นข้อห้าเขาบอกว่าตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณการดื่มจากเดิมดื่มวันละแปดแก้วโอ้โหเยอะนะเนี่ยแต่น้ํากินไม่ถึงเนี่ยหูนีดนี่คืออะไรดื่มแปดแก้วแปดแก้วก็อาจจะลดลงไปเรื่อยๆให้เหลือวันละแก้วยากหน่อยแต่ก็ยังดีดื่มแปดแก้วเลยเหรอคะ <8 S 1> โอ้แปดแก้วคือมัน คือนึกถึงเราเวลากินน้ำแปดแก้วเราต้องรงน้ากี่รอบอะมันจุกมากเลยนะมันนี่จะตับมันจะไม่พังได้ไงคะเขาเขาก็จะมีวิธีเขาเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้กินทันทีแปดแก้วแปดแก้วอาจจะสามชั่วโมงฮะกินไปเรื่อยสังสรรค์ไงค่ะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นที่ฉันแนะนําเลยเลิกสังสรรค์ช่วงเข้าพันษานี่เอาก่อนเลยจริงเลิใครจะมาชวนไปไหนนี่อ้างไปเลยค่ะว่าช่วงนี้งดเล่าเข้าพรรษาเนาะ เดี๋ยวอีกหลายๆข้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพูดช่วงหน้าดีกว่ายิ่งพูดยิ่งมันค่ะยิ่งพูดมันมีหลายวิธีไงมีหลายวิธีเชียจริงๆให้คนเลิกเลิกนี่เราก็จะได้คุศลไปด้วยใช่ไหมได้บิ้ไปด้วยนะสาธุสิสาธุค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะรายการโฆษณาวาไรตี้สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการโฆษณาวรารตี้นะคะวันนี้เราบอกวิธีการลดละแล้วก็เลิกเราบอกไปแล้วหลายวิธีวิธีต่อมาค่ะก็คือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือสถานการณ์หรือที่สิ่งที่จะพาเราเข้าไปอยู่ในปัจจัยหรือสถานการณ์แวดล้อมที่ทําให้เรายกแก้ว สังสรรค์ถูกต้องเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างไม่ต้องไปเลยค่ะช่วงนี้ช่วงเวลาหลังเลิกงานก็ดีวันเงินเดือนออกวาัราับพิเศษต่างๆการไปเที่ยวผับร้านอาหารสถ า, านบันเทิงเพื่อนชักชวนเอออันนี้ขอแบบ <Okay. S 1> วันนี้เป็นศิลปินไงไ ข, อขออยู่คนเดียวเพราะว่าเรามาตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่าเราตั้งใจใช่เราจะ ไม่ไปปฏิเสธได้ของแบบนี้เงินเดือนออกก็ออกไม่เป็นไรมันอาจจะต้องมีมารผจญบ้างแต่ถ้าเราตั้งใจแต่ถ้าเราตั้งใจเราต้องทำได้สิใช่ค่ะต่อมานะคะทำกิจกรรมอย่างอื่นเนาะไม่ไม่ให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปแบบมุ่งมุ่นมุ่งมุ่นแบบอุ้ยเดี๋ยวไปออกกําลังกายเลยเลิกงานปุ๊บไปวิ่งเลยอ่านหนังสือฟังดูหนังดูไปเลยสาชั่วโมง เอาก็เข้าไปในโรงหนังเอาบรโมงสามเรื่องไปเลยคือว่าหโมงถึงเที่ยงคืนรับรองไม่มีใครแบบมามาชวนไปแบบสังสรรค์นี้ติดดูหนังติดดูหนังแบบนี้นะกลับไปดูละครได้ไหมคะชอบดูละครกลับไปดูละครก็ได้ดูละครก็ยังแบบลุกเดินไปไหนไปไหนได้ไหนไนก็จะเสียทางกินเหล้าเอาตังไปซื้อตัวหนัง คุณดูไปเลยจริงๆวันละสองเรื่องพอใครฉันให้แค่รับรองคดูกลับบ้านเดี๋ยวสายตาพังน <c oughs> ะคะ <c oughs> ต่อมานะคะฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาดเวลาเพื่อนขยันขยออันนี้เรื่องใหญ่ไอ้คนขยันขยอ ก, ก็เหลือเกินนี่ฉันอยากตีมือมาก เขากําลังทําบุญอยู่นี่นะแล้วมาชวนเขากินนะคะแล้วก็หาที่พึ่งทางใจต่อมาคือการหาที่พึ่งทางใจพอ่อแม่ลูกนะลูกก็เกาะขาประปาไว้นะเกาะขาคุณพ่อไว้เงินจากกินเหล้านี่เพอเพอซื้อชุดนักเรียนชุดใหม่ให้ลูกได้เลยนะไม่ใช่เพอๆซื้อได้ <laughs> จริงจริงจริงจริพรชุดหนึ่งเนี่ยไม่สมว่าคุณกินเหล้าวันนึงบางทีกินกับเพื่อนกวนใหญ่ใหญ่บาง <8 S 2> คนแ8ดแก้วไง บางคนหมดเงินเยอะกว่านั้นค่ะคือหลายพันต่อวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาหลายพันเนี่ยแต่บางคนก็มีนี่ไงโอ้ยไม่มีลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเ อ, เอาไปบริจาคอย่างอื่นได้ค่ะไม่เป็นไรหรือคุณเก็บเงินออไวะซื้อรถใหม่ปะโอโหอันนี้ดิฉันว่างดทั้งชีวิตเลยค่ะซื้อรถใหม่ังดทั้งชีวิตซื้อจั ก, กรยานมาปั่นก็ได้อ่าได้นะช่วยออกกำลังกายไปด้วยค่ะออกกำลังกายไปด้วยปรึกษาหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเขามีสายด่วนเลิกเหล้านะ ก็ที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสูรานนะคะที่โทร1413สี่หนึ่งสาและมีอีกสถานที่หนึ่งค่ะก็คือสถานทันยรักษ์กรมการแพทย์นะคะหนึ่งหนึ่งห้าจำง่ายจำง่ายเดี๋ยวดิฉันจะบอกวิธีอื่นอีกมันมันมีเยอะแยะไปหมดเล ย, เยคือถ้าเราโทรไปบางทีแบบสมมติว่า มันมันอาจจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยพอเราพอเราคิดที่จะงดเหล้าเข้าไปสักคิดที่จะเลิกเหล้าเนี่ยเราไม่ได้เจอเพื่อนบางทีมันอาจจะแบบต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวงงเงาวุ่นว่เฮ้ยทำยังไงดีทํำยังไงดีก็ติดแตกติดแตกอะไรเงี้ยแบบใช่บินติดแตกมันมันแบบวุ่นง่านอ่ะเออเพราะว่าจริงๆแล้วเหล้านี่มันก็ไม่รู้คล้ายๆติดยาเสพติดหรือเปล่าพอดีก็ใช่เวลาไม่ได้กินแล้วมันรู้สึกแบบคือเขาบอกว่าโหยหากินเหล้าอ่ะจริงๆเรื่องเหล้าไม่เท่าไหร่ แต่เรื่องสังคมแวดล้อมคือการไปเจอเพื่อนการไปสังสรรค์การไปได้เจอผู้คนแล้วก็มีเล่าเป็นเหมือนแบบเอ้ากินกินก็ไม่รู้จะกินอะไรกินนมก็ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันบางคนบอกว่ากินแทนไม่ได้คุณไม่เข้าใจหรอกเล่ามันคือเล่านมก็คือนมโอเครู้เรื่องหรอเ็กาก็กินแทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณก็หาวิธีเลี่ยงเนาะทีนี้ มามีข้อแนะนําสําหรับสายปาร์ตี้ทั้งหลายในช่วงเวลาที่คุณ <ไป S 1> วันเล่ากันนะไปเตีโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทางานที่อยู่ในเมืองโอโหผับเล่าเล่านี่แบบข้างที่ทํางานก็ใช่แล้วหรือกลุ่มวัยรุ่นอันนี้เข้าใจได้เขาบอกวิธีเลยนะเขามีวิธีบอกว่าเฮ้ยพวกที่ชอบปาร์ตี้ทั้งหลายเนี่ยเรามีวิธีการคือพวกนอนดึกตื่นสายหรือบางทีแบบเออปาร์ตี้ยันเช้าเลยเนี่ย หวยหาไงจะไปกินเหล้าที่ไหนดีหรือแบบถ้าอยากจะงดเหล้าฉันต้องมีกิจกรรมอะไรเขาบอกทำอะไรดีคะอันดับแรกเลยเรียกเหงื่อเพื่อลืมดื่มอ่อันนี้ถ้าท่านจะสุขภาพดีใช่ค่ะเขาบอกว่าลองงดเหล้าไม่พอลองมาตั้งใจใช้ช่วงเวลานี้ทำให้ร่างกายฟิตแ n d เฟิร์มพอร่างกายได้หลังฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วนะคะความเครียดที่มีอยู่บางคนบอกว่าต้องกินเหล้าเพมันเครียดจริงเ<ต>หรอ ม, มีวิธีอื่น เใช่ไหมไปออกกําลังกายใช่ใครบอกว่าเครียดเราต้องกินเหล้า อ, อ๋อแบบบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ไงว่ากินแล้วลืมเนี่พเพราะเหล้ามาทำให้เราแบบไม่มีสติไงอ่าเดี๋ยวพาไปลืมได <laughs> ม้มีมากกว่านี้อีกไปวิ่งพาไปลืมเลยนะเขาพาไปลืมเลยเขาบอกว่า ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ค่ะมีสถานที่ออกกําลังกาย24ชั่วโมงชอบปาร์ตี้ยันสว่างใช่ไหมไปเลยไปเลยวันนี้วิ่งวันนี้เอาเอาแบบไห น, นเอาแขนออกแขนพรุ่งนี้เอาอะไรคุณไปเลยเทรนเนอร์เขาอยู่กับคุณตลอดเวลามดเล่าได้ไหมได้ น, นี่ฉันท้ายเลยนะ วิ่งตั้งแต่สามทุ่มยันเท<ส>ี่ยงคืนนี้หรอโอ้เที่ยงคืนคุณก็รับรองคุณลืมทุกอย่างเลยเะคุณเหนื่อย<พ>คุณก็จะลาบพอเพิ่อได้เพื่อนใหม่นะเพื่อนดีนะเพื่อนชวนกัน อ, ออกกําลังกายด้วยนี่ไง ห, หรือไม่อย่งงางนั้นชอบเฮฮาเป็นกลุ่มนักใช่ไหยกวนกินเหล้าด้วยกันปะไปปั่นจักรยานชมกรุงตอนดึกๆอุ้ยมันน่าจะสวยนะเวลาแบบประับด้วยอะไรแหละแสงไฟอ่ะเอ้าเขามีชมรมนี้อยู่เลยนะคะก็คือ เออดิฉันเคยเห็นพี่พี่ก้องนูโวอ่ะเขาชอบปั่นจักรยานชมนกลางคืนอากาศไม่ร้อนได้ไงใช่แล้วเขาก็จะมีเออระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากคือแต่ละคนเขาจะต้องสวมอุปกรณ์แล้วก็ เอ่อไฟสองสว่ามีต้องมีไฟวิบๆบ<ช>ด้วยนะเ<ช>พราะบางทีมันแับเป็น<ช>จุดมืดางี้ไปเลยชอบนักใช่ไหม น, นี่นี่ที่กินด้วยกันอยู่เสร็จแล้วคุณพอคุณปั่นจักรยานเสร็จปุ๊บร้านมน์ยังไม่ปิดใช่ไหมเลี้ยวข้านมมน์ค่ะลองดู ว, ะวะ่าว่านมมั น, <ห>นอร่อยจริงๆกินนมออกินนม แต่ถ้าคนเยอะก็นมอย่างอื่นก็ได้นะอืมบางทีคนเยอะแล้วเกินไปถึงหมดหมายถึงร้านนมอื่นใช่อ๋อนมนมนี่หมายถึงว่านมแบบนมสดอันแบบยี่ห้ออื่นก็ได้นมอะไรก็ได้มันมีประโยชน์ทั้งนานเออนะคุณไม่ต้องไปกินนมสดหรือนมอื่นนะนมอื่นนะเดี๋ยฉันก็ชอบกินนมมอนอยู่นะเขาก็บอกว่า บางครั้งเนี่ยการไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้อาจจะทำให้คุณเจอเพื่อนเพื่อนที่เขาแบบหวังดีกับคุณแล้วก็ให้กำลังใจคุณในการงดเหล้านะคะอันดับที่2เลยค่ะร้านกาแฟ24ชั่วโมงนั่งไปจากเล่าไปกินกาแฟเอาสิแต่ถ้ากินกาแฟตอนสี่ทุ่มเขามีกาแฟแบบไม่มี<น>คาเฟอีนอันนี้ก็กินไปเลยกินไปเลยหรือกินหลับ go, สบายโกโก้โกโก้เบา กูกแบบไม่หวานเอออย่าใส่น <Wat> ้าตาลนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้โรคเบาหวานมาเนี่ยเขาบอกว่าการจิบช็อกโกแลตร้อนๆหรือนมอุ่นๆจะทําให้คุณนอนหลับแล้วก็เพาแฟนไปกินขนมแทนกินเหล้าโอ้ก็ดีนะกินผลไม้ได้ไหมต้นกลางคืนกลางคืนหรอบางอย่างกินได้ใช่ไหมบางอย่างคือแบบคืออาจจะไม่ใช่ทุเรียนนะคะมังคุดเงาะลำไยคุณจะต้องงดไงพูดพูดถึงทุเรียนนี่ดีฉันของขึ้นเลยค่ะ ปีนี้ทุเรียนแพงมากนะคะคือดิฉันจะฟ้องใครดีคะก็ทางงดเล่าได้เนี่ยก็เอาไปซื้อทุเรียนทุเรียนลูกนึงเท่ากับเล่าแบบโอ้ยเือนวุ่นวายเราไม่ได้นะไม่เล่าบางอันมันแพงมากเลยนะฟุ้วายอะไรแบบนี้หรอเอาเล่ายี่ห้อดีๆยี่หอดีเราไม่เอ่ยเราไม่เอ่ยยี่ห้อเออมันแพงนะเอาเล่านี่แหละอ๋อแต่อย่าเลยกินทุเรียนโอ้แต่พูดถึงทุเรียนแล้วดิฉันของขึ้นเลยปีนี้คืน ปีนีทุเรียนแพงมากเรากินทุเรียนก็ไม่ได้แล้วสินะไม่ไหวนะคะต่อมานะคะก็เขาบอกว่าเออใช้เวลาเขาเรียกว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวให้คุณไปดูแบบตื่นตาตื่นใจเวลาอยากเข้าลานเล่าสนามบินสุวรรณภูมิเขาจะจะมีพื้นที่ให้คุณะดูเครื่องบินเวลามันขึ้นลงมีไฟสวย เออมันก็ดีนะฉันก็ชอบเวลาครื่องบินขึ้นลงเขาก็หากิจกรรมเยอะแยะเลยคจริงนะถ้า <laughs> มันถึงกลับไปข้อแรกไงถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจจริงเนี่ยเดี๋ยวเราก็มีวิธีการเองแหละอหรือไม่งั้นเขาบอกว่าสร้างสัมพันธ์ดีๆที่ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกมเป็นเกมที่ใช้ความคิดใช้สมองและเล่นร่วมกันหลายคนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องมือใหม่ที่ยังเล่นไม่เป็น ใช่ไหมไปหากิจกรรมอื่นๆทำอันนี้อันนี้ออกแมววัยรุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเนี่ยกิจกรรมมันเยอะแยะไปหมดเลยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆถ้าที่ฉันแนะนานะคะนอนค่ะคุณกาอันนี้อาจจะใช้ได้สำหรับพวกเราเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้านอนแต่ไม่ต้องงดอะไรทั้งนั้นก็นอนได้พักผ่อนให้เพียงพอให้เพียงพอไปเลยนี่นี่ คำแนะนำของเราเลยนะคุอ๋ออยากกินแล้วใช่ไหมนอนอ๋ออยากกินแล้วใช่ไหมนอนนอนไม่หลับ น, นไม่หลับงุนงิดโกโก้ร้อนกิน อ, อันนี้เวลาคุณเครียดคุณทำยังไงบอกคนบอกเครียดต้องกินเหล้านี่ฉันงงนะคิฉันนอนคนะ่ะคือเราเครียดทุกวันเลยเนี่ยทำงานเนี่ยก็นอนเนาะก็นอ น, นอปวดหัวคีดไม่ออกนอน <laughs> เด freely, ี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คิดได้เองเออได้ไม่ได้ไม่รู้แต่นอนดีกว่าอะไรองี้ปัญหามีไว้แก้พรกินเหล้าเข้าไปนะตื่นเช้ามายังคิดไม่ได้นะปวดหัวง่าอ๋อแห้งไปอีกคิดไม่ออกนะมันทาให้ขาดสติก็นั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้เราก็บอกเนาะข้อเสนอแนะดีๆเหมือนแบบโปรโมชั่นดีๆให้คุณเริ่มเลยค่ะ เริ่มมาได้วันหนึ่งสองวันสวันแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องนับวันไปเรื่อยๆแค่3เดือน3เดเอนเวลาบอกบอก3เองเดี๋ยวแป๊บๆเดือนก็ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสำหรับการเริ่มต้นในการงดละเลิกเล่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของโฆษณาวารตี้หมดลงแล้วพบกันใหม่กับเราทั้งสองคนในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โฆษณาวารายตีสร้างสารรค์และผลิตรปยการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี